นะปรับถามถ้าว่าต่างเชคพูด ร่างกายก็รู้มันคายเรื่องแค่ต้องลึกซึ้งเข้าไปเท่านั้น หมายหมายได้ที่ใหญ่กว่าโลกส่วนที่นั้นเป็นหน้าที่ของหมาถ้า ความทุกข์ของนางก็เป็นทุกข์ของลูกลูกนางเนี่ยถ้า เป็นศอกโกรไปทบรูปคนน้อยก็ก็บอกว่าถ้า หมายความว่าต้องทุกข์เป็นสองเท่าถ้าเรา มรรคเกิดความเป็นภาคิฏฐากิริตตาเพราะกิริตโนคือตระโรสตองก็มีเหมือนกันบุคคลที่ แนวของปฏิฐานจริงๆมันต้องโต้จากเราเราจะไปเรียบร้อยพอเป็นธรรมจากภาย เกิดละปสติได้ดูได้เห็นเลยเป็นนว่าลึกไม่เป็น ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นจะไม่มีชีวิตชีวิตไปเอ่อคิดว่าไม่น่าจะเป็น แสดงว่าเฉลยได้อีเวนต์ของคนเราส่วนมาก 2 อย่างก็คือขายและจักรเรื่องแรกชื่อไม่เท่าไหร่เป็นบรรพบุรุษแม่ ภาษามลีก็ปัญญาศิษย์อัญญาศิษย์ปัญญาศีวะจะโปกคนทัญญะอัญญาศิษย์วตะโปกคนทัญญะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเป็น สมมุติรู้แล้วมันเป็นภาษาธรรมและภาษาที่ไปเห็นรูป ปาคนแห่งธรรมคืออุปธรรมคือนามธรรมคือสติคือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันก็ไม่เหมือนไม่มี เนี่ยความรู้เป็นของที่เกิดพร้อมเป็นการจะเกิดพร้อมเป็นเท่าความต้องเป็นความไม่ทุกข์นะความต้องคันคาดพอดีเมื่อพระ ความมองว่าถ้ามีความเกิดก็ต้องมีไม่เกิดถ้ามีความเจ็บก็ต้องมีไม่ ความเมฆไม่แก้ไม่เข็ดไม่ตายมีอยู่ในชีวิตเราความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็น ต้องเรียกเอาความโลภเรียกเอาความโกรธยึดเอาความทุกข์มาเกิดไหลไปทางนั้นความโกรธก็ไม่รัชณาทําให้คนลืมมันไม่ได้บางคนลืม เพราะว่ามีแต่การเปลี่ยนแปลงปฏิเสธเปลี่ยนเปลี่ยนอธิเปลี่ยนหลายเป็นดีเป็น คนคนการกระทำจริยกิจเผดไม่ต้องไป อันแต่เรามาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวตัวนี้จะ ไม่กระเท่เกรงซาลาเมขอเรนอะไรต่างๆเป็นผลศรัทธาของพวกเราไม่บกท่องแต่ ผ่าจะมาซ้า Nokia สั่ง PTSD ๆๆฝันอื่น ถ้าไก�กครับ ติงใหมันจะรู้สึกตัวเอาใจจังนะมาพริตมาประ困บ มาสstellungกัด มาตรเป็นวัสดกายกุย elastic นักตั้งkriti pinpoint 港รักกร undermine วัสด subscribed ancirieben already in a budget. própพ pass PainINed for aiatekidorsch quer the problem. 5Nm p Hongar, so go toaman I am a j sugar of p immmaking. Let's explode. อั Jones With a passion for unselfish Canap. To focus. อาจุย aprende in นิดหน่อยก็ยังดีบางเทวาอัชฌาเมมีเวลาๆลำดับลำนําจิตใสใจ เดี๋ยวบึ้มมาอานทํารูจะได้ทุกสุดได้จะเป็นการลาดนะจะขึ้นหน้าผาชันๆแรงๆจะต้องลาดไว้ก่อน โยมๆจมาหัตมาโหมเราให้รู้ถ้าถือไปให้มัน เดี๋ยวพอที่เราเห็นน่ะปัญญาลงดับลงตามอาปัยมันก็จะง่ายคือพอกรรมฐาน กลัวที่ แต่อยู่ดีพอลูกมือเคลื่อนออกไปจะมาโอ้ไม่ใช่เนิ่นช้านะผมก็ไปผม อ่าเจก็เกิดกลางง่วงเหงาเฮานอนไปโอ้มันมันปฏิบัติตรงแล้วจนมายกพอ late chicken with me wish him one aisama i don't know what you need actually is what you do when you did my master if you knew that when your master when you do the temple then when you're seeks because the master the master the master the master the master the champion he never by the master the master he's ติ๊กโซเมื่อเธอครุ่นคิดในลมที่ไม่มีสติเธอไม่มีสติก็แสดง บริสุทธิ์เหนือกับพุทธภูมิมัจฉะสร้างความรู้สึกตัวมันเป็นพุทธภูมิมันพอใจเข้าใจตัวที่เราจะมายกพร เป็นความพอใจเป็นสุดเป็นที่สุดของการทําความดีอะไรในความรู้ ไม่มีใครที่ทำไม่ได้ใหญ่ใครที่ทําไม่ได้ถ้ามันหลงคิดไปถึงบุรีรัมปิดมือ <c oughs> สะเดินพอดีพอดี 4,000 ลูกทั้งก้าวก็ลูกแต่ 2,000 ลูกลงไป 2,000 ลูกไปครึ่งน่ะพอดี เวลาเทรารูปเวลาเทรารูปรูปรูปรูปนะเวลาเทรารูปเวลาเทรารูปครั้ง ไมไมทำไปทำไป น, เรา เย็นแต่ต้องนอนคือความรู้สึกตัวทําไรคือความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัว สอนตัวเองเนี่ยสอนกี่ตัวเองสอนใจตัวเองสอนกายตัวเองอาวัชรูปก็คงมาเกิดทั้งมันเกิดความรู้จักตัวอ๋อไอ้เตี้ยๆกระต๊อนน่ะอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเขาจะสร้างจังหวะแข็งแรง เริ่มต้องไหวให้มันอ่อนเสริมให้มันเข้มแข็งเข้าไปตรงไหนที่มันตึงขึ้นก็อย่าปล่อยให้มันพอดีพอ บางครั้งก็ใจติดใจพอดีถ้าทางพอดีก็ตั้งอยู่ได้ นั่นก็เค้าเป็นปัญหาเค้าทําท่านั่งไปแล้วมาตรงเป๊ะเลยสักสมาธิมาได้พ่อไป ฝรั่งก็ 3 วันที่นั่งนั่งลงได้สบายเลยทําได้ทําใหม่ๆได้ทําใหม่เอออย่าไปกลัวอย่า เป็นได้ได้สัมผัสถ้ามีสติรู้สึกการเดินการทนจนว่าพอคาพอเจียนมากนิดหน่อยแล้วจะไม่ทนเราให้ทนต่อแล้วทนไปมาก ทางลมก็เปลี่ยนเข้ามาในลมเออมันว่าเรามี 2 แบบมันคิดไปโนดมันก็พอมันคิดไปมันก็ดึงกลับมาพอ เป็นธรรมชาติก็มันหลงก็มีหน้าที่รู้ขึ้นมาไม่ได้เจตนาที่จะไปดึงมัน บางคนจะไม่สนอาจเรื่องอะไรถ้ามันหลบก็รู้แก้กันไปนั้น ความหลง สาก็เฮ็ดได้บ่ยากจักหน่อยเริ่มใจอีสอนนายผู้กะฟังคนเราไปห้ามใจได้อ๋อการหัดใจ <c oughs> เราต้องหาป่ามาโหเพียบก็ต้องเปลี่ยนหรือ เปรียบได้ว่าบางคนเตรียมปลั๊กบางทีมันทบเตรียมปลั๊กบาง 20 วันไม่เติมรู้เลยมัน แจ้งโลกแจ้งเมียบาปท่านคิดถึงโลกมีใครเห็นดีด้วยพวกเราเนี่ยมาแล้วรถมาส่งของพ่อไปถึงกับเขา มาแต่ฉีด ลงเกวลาบุรีล้ํานี่ไปเถอะโรง 3 คนโอยกระทิถึงได้อุ่นใจที่สุดน่ะสบาย แต่ขอเตรียมวัดบ้านปากโขเอาร่อน้ํา 1 วัน 2 วัน <c oughs> 9 วัน 10 วันน่ะไม่ <c oughs> ถามผมก็เตือนคําตอบครับผู้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อไม่รู้อะไรเลยมีมั้ยไม่มีสักคนก็ จะไปประเหมเอากรรมกระทําบกเบิกนะวิธี มันไปเดินสลับที่เที่ยวออกมาถึงบริเวณลงไปถึงที่ผมอยู่เที่ยวกลับมาได้มั้ยกลับมาได้มานั่งตรงนี้แต่นี้ก็ยกกลับคอยความผิดจะ ไม่คําสอนตัวไม่ใช่สอนคนแต่ 2 คนนี้มีโอกาสให้เห็นความผิดเล็กๆถ้าไม่ทํามันก็ จงมีสติจะอยู่เป็นสุขนะภิกษุทั้งหลายนี่เราก็ตื่นตลอดหมดแล้วเสร็จตัวหมดแล้วเสร็จตัวแล้วเราก็เอากายนั่ง มันหน่วงวงจับให้ภดแล้วจับ technological แคร็ตปラตูหน้าตาม ef what eta ออกไปช่ะมัน Linksang karena alors le kel fl r wool quelle f donc k h et au l'eo lai cые 어 il 13 JOHN dais aja right là глубbij um rbe el r拍 exemple not here King fürสวนade tu le tonde un send meuse her f also le t verde it pat war <c oughs> อย่าหลับเด็ดขัยตื่นนอนแต่หัวค่ําตื่นดึกนักปฏิบัติถูกต้องจะนอนดึกตื่นสายไม่ดีนอนอย่าให้เปิดสามอ่าแล้ว เอ่อไหนง่อก็จะอ่าไปดูน้องชายไม่ชะบาโอเคครับก็ว่ากัน <synd comedies> Oh.